น, นะไม้กลุ่มน้ำเนี่ยาพระเชตวันอารามของท่านอนาถาปินทิกาเศ ธ, ธีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นพิสูจมากรูปภายหลังจากเวลาฉันอาหารเสร็จแล้วกลับจากปินทบาดแล้วนั่งประชุมกันในโรงกลมใกล้ไม้กลุ่มน้ำเกิดสนทนาธรรมกันขึ้นเกี่ยวกับด้วยปุเพนิวาสก็คือขันอัน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 ข้อความในสมังคารวิลาสนีนั้นอธิบายเพิ่มเติมว่าคําที่บอกว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณกเรริกรกุติหรือกเรริกุตีนพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินติกะเศรษฐีบอกว่าในพระเชตวันเนี่ยนะมีเรือนใหญ่หรือว่ามีกุติใหญ่ใญ่อยู่สี่หลังด้วยกันสี่หลังก็คือหลังที่หนึ่งกเรริกรกุตี อย่างที่สองเรียกว่าโกสัมภกุติอย่างที่สามก็คันทกุติแล้วก็สี่สละละคระหรือว่าเรือนไม้สนเรืเอนที่สร้างด้วยไม้สนทั้งหลังแต่ละหลังเนี่ยนะในกุติแต่ละหลังเหล่านั้นเนี่ยสำเร็จด้วยการบริจาคทรัพย์หลังละแสนหลังละหนึ่งแสนหนึ่งแสนสมัยนั้นก็มูลค่ามหาศาลเนี่ยนะซึ่งสมัยสมัยก่อนนั้นอะ่ะก็คือ คูนร้อเท่าอ่ะแทบจะคูณร้อยเท่าอ่ะทันมูลค่าของกุติแต่ละหลังนั้นสูงมากในสี่หลังนั้นพระเจ้าประเซนที่โกศนสร้างสละอ่าสละละคระก็คือเรือนที่สร้างด้วยไม้สนใช้ไม้สนทั้งหลังเนี่ยนะมาสร้างส่วนสามหลังที่เหลือเนี่ยนะกรเริริกุติโกสัมภากุติพระคันธกุตินั้นอนาถปินฑิกะเป็นผู้สร้างเอ่อโรง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 เรียกว่าโรงกลมอนะสร้างแบบกลมๆใช้เสาเลหลายๆเสานะอาจจะก็คือกลมแล้วก็สามารถมงุงนะหลังคาสามารถใช้ไม้ก็ได้กระเบื้องก็ได้พันพระภิสูจน์เหล่านั้นท่านบอกว่าปุบเพนิวาสปฏิสังยุตาก็คือพูดคุยด้วยธรรมมีคาถาที่ประกอบด้วยปุบเพสันนิวาสกล่าวคือขันธสันดานที่เคยอยู่อาศัยในชาติก่อน ในชาติก่อนที่แล้วนะชาติก่อนหนึ่งชาติสองชาติสามชาติสี่ชาติห้าชาติสิบชาติร้อยชาติพันชาติแสนชาติหลายแสนชาติเป็นต้นนะทีนี้คำพูดนั้นเป็นคำพูดปรารถบบอกว่าปุเพนิวาดขันที่เคยอยู่อาศัยในการก่อนนั้นเป็นเช่นนี้เป็นเช่นนี้แต่ว่าคำว่าปุเพนิวาดเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องขันที่เคยอยู่อาศัยในการก่อน อันนี้หมายถึงอะไรหมายถึงปุเพนิวาสานุสติยานของพระทศพลนะเน้นพิเศษว่าเป็นการพูดคุยถึงพระยานของพระพุทธเจ้าที่สามารถระลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตได้อย่างครบถ้วนนนะบอกว่าปุเพนิวาสยานยานที่ระลึกถึงขันธ์ที่เคยอยู่ในการก่อ น, น, อนของพระทศพลเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์จริงๆ ส่วนมีคําถามรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องระลึกชาติได้นะผู้ที่ระลึกชาติได้นี่ท่านแบ่งออกเป็นหกลุ่มคือตั้งคําถามว่าใครมั่งที่ระลึกชาติได้ใครมั่งที่ระลึกไม่ได้อะระลึกแบบแบบมีฌานอภิญญารองรับะนะไม่ใช่สัตว์แต่ว่าจําชาติกําเนิดได้แค่ชาติสองชาติไอประเภทแบบแบบนี้ไม่ไม่ประสงค์เอา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 สองภาษาวกของพระพุทธเจ้าก็ระลึกชาติได้อย่างที่สามพระประเจกพระพุทธเจ้าก็สามารถระลึกชาติได้โดยที่สุดพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ระลึกชาติได้นี้ตั้งคําถามว่านักบวชนอกาศาสนาที่เรียกว่าเดรทีไม่ได้อยู่ในพระพุทธศาสนาเขาเหล่านั้นอ่ะพวกไหนระลึกชาติได้บอกว่าพวกเดรทีหรือศีนอกาศาสนาที่ระลึกชาติได้นั้น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 เดรรทีเพราะเดรรทีก็คือไม่ไม่นับเนื่องในพระพุทธศาสนาผู้นั้นจะเป็นใครก็ตามถ้ายังไม่อยู่ในขอบข่ายพระพุทธศาสนาบุคคล น, นั้นก็เรียกว่าเดรรทีเพราะฉะนั้นพวกเดรรทีเนี่ยระลึกชาติได้สีสิบกับคือพวกนี้รู้อดีตได้40กับรู้อนาคตได้สีสิบกับระลึกเกินกว่านั้นไม่ได้ระลึกได้ไม่เกิน40สบกับ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 สินสุดสุดแท้แต่พระองค์ประสงค์แปลว่าเนื่องด้วยอาวัชนะพระองค์จะระลึกเท่าไรเมื่อไรแค่ไหนก็ก็ได้สมประสงค์ทุกประการทำไมละ่ะเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีบุญเนี่ยนะเป็นผู้ที่สั่งสมบา ร, รมีส่วนวิธีการระลึกนะวิธีการระลึกนั้นพวกนักบวชนอาศาสนาทั้งหลายพวกกลุ่มเดรธีทั้งหลายที่ระลึกชาติได้พวกนี้ระลึกตามลาดับเท่านั้นนะ พวกนี้จะค่อยๆระลึกแบบอะไรนะค่อยๆนั่งนึกถอยหลังไปเรื่อยๆค่อยๆนึกค่อยๆนึกค่อยๆนึกไปเรื่อยๆถ้าหาว่าเกิดไปสับลําดับเข้าไม่ได้หมายคว่าสมมติว่ามันมีสมมติระลึกไปถอยไปอดีตร้อยชาติเนี่ยนะก็ต้องระลึกหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเก้าค่อยๆไล่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆตามลำดับถ้าไประลึกว่าเอ๊อยากจะรู้แค่เมื่อ10ชาติที่แล้วเป็นอะไรเมื่อร้อยชาติที่แล้วอ่ะเป็นอะไร เมื่อหมื่นชาติที่แล้วเนี่ยทําอะไรเมื่อแสนชาติที่แล้วเนี่ยไปทําอะไรมาวับไปอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องค่อยๆแบบอะไรนะประเภทแบบต้องถอยโดยลําดับอ่ะนะต้องค่อยๆมาเท่าไหร่ก็ต้องถอยค่อยๆถอยพวกเนี้เดรัจีเนี่ยมีความสามารถเท่านั้นเพราะฉะนั้นพวกเดรัีเนี่ยนะถ้าหากว่าระลึกไปจนถึงว่าอดีตเคยเป็นอสัญญศสัตว์พวกนี้เงียบเลยระลึกต่อไปอีกไม่ได้นะนะจบเลย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 เพราะฉะนั้นพวกนี้ท่านบอกว่าไม่เห็นความเป็นไปของขันเหมือนตกเหมือนนกเนี่ยตกลงไปในตาข่ายเหมือนคนพิการตกไปในหลุมคือ น, นึกอะไรต่อไปไม่ได้เนี่ยนะคนพิการเนี่ยเอลสา ค, คานคลานคลานคลานคลานไปตกหลุมเข้าเป็นหลุมใหญ่ขึ้นไม่ได้จบเลยพวกนี้เดรธีบางพวกก็เป็นเช่นนั้นไม่สามารถระลึกข้ามลาดับได้ค่อยๆระลึกระลึกระลึกระลึ ก, ลกพอระลึกไปเนี่ยนะมันเหมือนอะไร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 เปรียบเหมือนอะไรเหมือนธรรมดาคนตาบอดเมื่อยังมีคนถือปลายไม้เท้าอยู่ก็ย่อมเดินไปได้เมื่อไม่มีก็นั่งอยู่ที่นั้นนั่นเองพวกเดรธีก็ฉันนั้นเหมือนกันแลเพราะฉะนั้นสามารถจะระลึกได้ตามลําดับเว้นลําดับเสร็จแล้วไม่สามารถจะเลืกได้ค่อยถอยไปหนึ่งชาติสองชาติสามชาติสิบชาติค่อยถอยไปเนี่ยนะมันจะไปกระโดดข้ามอะนะเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนกระโดดพับ ๆ, ๆไปเลยไม่ได้